ขอความสุขความสวัสดีจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสุทธ์ในวันนี้ก็เห็นจะต้องย้อนกลับไปที่พุทธชัยมุงคลขคาถาข้อแรกซึ่งเป็นการแสดงถึงชัยชนะอย่างพิเศษจริงๆของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามบทที่เราสวดกันว่าพาหุงสหั ซึ่งแปลเปจจัยความว่าพระจอมมุนีทรงชัยชำนะมานที่ยกพลเสนามาระจญเป็นจำนวนพันโดยตนเองขี่ช้างชื่อวคิริเมฆเข้ามาพระองค์ระจญพระองค์อยู่ตลอดคืนยางรุ่งด้วยบารมีธรรมทั้งหลายมีฐานะบารมีเป็นต้น ดวนาศของชัยมงคลคาถานี้ขอชัยมงคลตรงมีแก่ท่านทั้งหลายพุทธชัยมงคลข้อแรกนั้นเป็นการให้โลกมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นจึงถือว่าเป็นชัยชนะที่พิเศษจริงๆ ข้อความมันเป็นเบื้องต้นของเรื่องก็เป็นเรื่องที่อยู่ในพุทธประวัติคือมีใจความโดยสรุปว่าหลังจากพระโพธิสัตว์ได้เสด็จออกพนวดบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างๆตลอดถึงศึกษาในสำนักของดาบ ท, ทั้งหลายมีอลาดาบทุตุกดาบทเป็นต้นแล้ว เมื่อไม่พบผลทางจัตสรูก็มาเปลี่ยนเป็นบำเพ็ญทุกรกรริยาสามวาระซึ่งเป็นการประยุกต์แนวความคิดที่ท่านสมัยนั้นใช้เป็นหลักการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างตะบะให้แก่ตนแต่เมื่อบำเพ็ญทุกรกรกริยาครบทั้งสามวาระจนเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วกขียนว่าไม่ใช่ทางจัดสรู เราทำให้พระองค์คิดประสานแนวความคิดตั้งแต่เริ่มจำความได้มาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เลือกเอาจุดเด่นๆของแต่ละจุดคือแต่ละกรณีนั้นเข้ามาผสมประสานกันกำหนดแนวประพฤติปฏิบัติขึ้นด้วยพระองค์เองซึ่งเราจะถือว่าเป็นแนวคิดใหม่หรือแนวคิดเก่าก็ได้ ที่เก่าก็ว่าแต่และส่วนนั้นหยิบมาจากของเก่าที่ใหม่ก็คือเอามาผสมผสานกันใหม่ก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันไม่มีอะไรเก่าแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ เ, เป็นของที่มีอยู่แล้วทั้งนั้นเองมาจัดรูปแบบขึ้นใหม่เราก็กําหนดว่าใหม่แต่จริงสิ่งที่เรามาประกอบกันข้าวก็เป็นของเก่า ดังนั้นจึงไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่าและจากบทเรียนเหล่านี้ที่จริงก็เป็นการเรียนจากจุดเด่น2เรื่องก็คือที่เปลี่ยนทุกการกระตุยยาก็คือเรียนจากเสียงพินแล้วก็เรียนการวิเคราะห์จิตก็เรียนจากท่อนไม้ซึ่งในปัจจุบันนี้เราถือว่าเป็นหลักที่น่าศึกษาหน้าทึ่งนะครับ น่าทึ่งมากที่พระพุทธศาสนาท่านหยิบอะไรต่อมีอะไรใกล้ๆตัวขึ้นมาคิดแล้วคิดใช้ออกไปข้างนอกก็ได้ใช้ข้าหมาข้างในก็ได้แต่ส่วนมากแล้วของพระองค์จะเอามาวิเคราะห์ข้างในก็ได้ยินเสียงพินซึ่งเป็นเสียงภายนอกแลนํามาวิเคราะห์ตัวเองข้างในเปรียบเทียบกับเสียงพินที่ท่าน พ น, นาไว้เป็นคํากรอนว่าดีดพินจะประบําจงทําสายพอดีถึงนักสายมาขาดเพลียงพินาศปวดเสียงสายหย่อนนักสายหมดไปจงทําสายพอดีก็มานมืเคราะห์ดูพระองค์พระองค์อยู่ที่สายไหนก็เห็นว่าเป็นสายที่ตึงพร้อมที่จะขาดก็ปรับเข้าหาสายกลางเพราะสายหย่อนนั้นก็เคยหย่อนมานานแล้วนะสมัยที่อยู่ในเพคคารวาตก็อยู่ในสายหย่อนอยู่แล้ว ปัญหาภาษากลางมันอยู่ตรงไหนมันก็ต้องผสมภาษาแนวความคิดจากมือประชาชนมายุ่เจ็ดขวบมาจนถึงปัจจุบันนั้นเราทำให้พระองค์ได้หลักทีนี้พอบาเพ็ญไปเพียรไปมันเกิดวิเคราะห์จิตเอาทำไมจิตมันไม่หลุดจากกิเลสก็อาศัยบทเรียนจากท่อนไม้เพียงสาบท่อนจนก็วางวางอยู่ใกล้พระองค์นั่นเอง ถ้ามาเป็นบทเปลี่ยนรือต้นไม้ต้นแรกก็เปียกยางเปียกน้ำต้นไม้ต้นที่สองก็เปียกเฉพาะอย่างแต่วางบนปกต้นไม้ต้นที่สามเป็นไม้แห้งที่ไม่มีทั้งย่างทั้งน้ำและพระองค์ก็เอามาเทียบเคียงกับใจของพระองค์ว่าอยู่ประเภทไหนคือคำว่าอย่างนั้นก็คือกิเลสแล้วก็พวกน้ำก็เหมือนกับวัตถุกรมทั้งหลาย คือถ้ายังมีสองอย่างมันก็ไปไม่รอดก็มาเทียบดูประไตยของพระองค์ว่าอยู่ในจุดไหนแน่ในสุดก็เพียงพยายามเพื่อจะอยู่ในจุดของท่อนไม้ที่ไม่มียางและก็ไม่เปียกน้ำซึ่งพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ทำอะไรก็ได้จากนั้นก็เริ่มเหตุการณ์ต่างๆที่เราเรียนมาแล้วพุทธวรัติ์เนี่ยก็ผ่านไปชันรับยาคาของโสติยาพพราม มารับข้าวบรรุปราญาตินางสุชาดาแล้วรับญาติขาจากสุติยาพราหมานั่งปูมาลาดเอาไว้ที่โคนต้นอสัตถพฤกข์พอตกตอนเย็นก็ประทับนั่งคูบันลังคือนั่งขัด ส, สมาธิโดยจะตุรงกมหาประธานคือประธานที่ประกอบด้วยองค์สประการ พราแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแท่งไปก็ตามถ้าเรายัางไม่จัดสรุคุณนพิเศษตราบใดก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากอาสนะตราบนั้นขณนที่ขณะบำเพ็ญเพียรไปพญามาณพร้อมด้วยเสยนาที่รอตามหาโอกาสจะมาขัดขวางพระองค์ ก็ยกพลเสนามาไปชนก็ต่อสู้กันตลอดทั้งคืนแล้วก็ชนะในที่สุดด้วยการเครื่องมือในการต่อสู้ก็คือบารมีสิประการผลจากการต่อสู้คือทําให้รรพระองค์บรรลุพระญาต์ทั้งสาประการออประเด็นที่น่าศึกษากันก็คือว่าเรื่องของมานนักวิชาการในปัจจุบันนั้น จะพยายามแสดงว่าตนนั้นฉลาดปราดเปรื่องคือรอบรู้ยิ่งกว่าสัพพัญญุตยานซะอีกก็พยายามอธิบายเห็นว่าแท้ที่จริงมานนั่นก็คือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลแต่ละคนนั่นเองมานที่บาประชนลพระโพธิสัตว์ในคราวนั้นจึงไม่ใช่มานที่เป็นตัวตนแต่ว่าเป็นมานคือกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ <c oughs> ในข้อนี้ทัานตง่งหลายก็จะ ต้องมองในมุมกว้างเลคือโดยหลักของพระไตรปิฎกจริงๆและตามเหตุผลตามประวัติศาสตร์ตามช่วงจังหวะของการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าวะไอพระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ว่าตอนนั้นท่านเดินมาถึงที่ไหนแล้วเราก็จะพบว่าท่านเดินมาถึงจุดที่เป็นฌานแล้วนะครคือได้รูปฌานนะรูปฌานมาตั้งแต่สํานักอลาดาบทอุตุ ก, กดาบทแรม รูปฌานมันส ง, งบอะไรนี่คือหลักรูปฌานก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานยะตุติฌานรูปฌานส ง, งบกิเลสสมานที่เรียกว่านิวรณ์วิตกมอเกิดขึ้นก็ส ง, งบผีนามิทัวิจารส ง, งบวิจิกิจชาปีติส ง, งบความฟุงรร้งซ่านอุทธจัก สงบเออใช่ปีติสงบความพยาบาทอุตจัสงบความฟุ้งซ่านวิตกวิจารวิตวิตกสงบเอ่อสงบทีนามิทะวิจารสงบวิจิกิจฉาปีติสงบพยาบาทสุขสงบอุทตจักแล้วก็สมาธิสงบกามฉันก็จบ เพราะงั้นถ้ามานันคือกิเลสแล้วจาาใดที่ชาญยังมีอยู่นั้นกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะแก่ใครก็ตามไม่ได้พูดเจาะจงเฉพาะพระโพธิสัตว์ดังนั้นมานที่มาไปจนจึงควรจะเป็นมานอะไรแล้วก็ต้องดูประเภทของมานที่ทรงแสดงเอาไว้ปรากฏว่ามานที่แปลว่าผู้ล้างผ่านผู้ทําลายผู้กัดขวางความดี ของบุคคลและทําให้บุคคลเสียคนไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของมานว่าแกรงขนาดไหนทรงจำแนกไว้เป็นห้าประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือขันธมารแต่แกมารคือเป็นจะขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ผิดปกติไปนะครับเช่นว่าความจําไม่ดีมันก็เป็นมานรเวทนาที่เกิดเป็นทุกข์มากมันก็เป็นมารแต่มีตะกิเลสมาปรุงจิต ตนนั้นก็กลายเป็นกิเลสสมานไปสังขานสวดนั้นแต่ว่าขันท่าแต่มันวิปริตเปลี่ยนแปลงไปเช่นดินมากไปน้ํามากไปลมมากไปไฟหย่อนไปอะไรอะไรเนี่ยทั้งมากทั้งน้อยออด้วนแล้วแต่เป็นมารแต่ น, นั้นในขันนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยนี่ก็ขันธมานเพราะขันธรรมานมันก็จึงจึงต้องเกิดพะจดแน่นอนเนื่องจากไปนั่งอธิษฐานพระไท่เข้าในลักษณะนั้น กตมานก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาประเภทต่อไปก็คืออภิสังขารมานมานคือบุญมานคือบาปมานคือรูปประชานคราวนี้ท่านจะเห็นว่าโดยเฉพาะคือรูปประชานมานคือรูปประชานนั้นก็คงจะขัดขวางบ้างเพราะมันเป็นความส ง, งบกิเลสได้มากเป็นพิเศษ และกิเลสสมานมังคือกิเลสกิเลสสมานเป็นอยู่ประเภทอนุสัยแต่นั่นเองตอนนั้นพวกนิวรณ์สงบแล้วพวกวิติกรมะคือกิเลส ท, ที่ถ้ารักล้นเข้ามาต้องสงบด้วยศีลก็สงบไปแล้วแต่แต่ตอนตอน้นมันกิเลสประเภทนี้จึงอยู่ประเภทอนุสัยเป็นตะกรอนนอนก้นผัสชนะเท่านั้นแล้วเมื่อไม่มีอะไรมากระแทกมันไม่ขึ้นมาหรอกไม่ต้องห่วง ตอนนั้นก็นั่งหลับตาด้วยแล้วได้ฌานแล้วด้วยกิเลสไม่ขึ้นมามานต่อไปคือมัจจุ ม, มาณอันนี้ก็ไม่แน่นะครับจะทรมานมากข้าวก็จวนเจียนจะตายเอาก็มีและตัวสําคัญจริงๆที่ท่านพูดไว้ก็คือเทวบุตรมารมานคือเทพปบุตรก็เช่นเชเช่นเดียวกับเทพบุตรที่เข้ามาสิงปรมปริสัชะเพื่อให้ ขาดขวางการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ล่าไว้ในวันก่อนหรือแม้แต่ในที่อื่นๆไอ้พวกเทวบุตตมา น, นี่ถ้าเราเข้าบําเพ็ญเพียรกรรมาฐานกันจริงๆแล้วก็ใจสงบเป็นสมาธิเดินเข้าไปดีๆนะฮะเทวบุตตมานจะปรากฏแต่ถ้านั่งไอ้นั่งฟุ้งซ่านคิดโน้นคิด น, น, ดนี้ไม่ต้องไปดูฮะเทวปุตตมานไม่ปรากฏมีแต่กิเลสสมานเต็มอยู่แล้ว เทปุตตมานเขาก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเนะี่ยไข่ก่อยู่ในมือคนที่ถูกเทปุตตมานพระจนจึงเป็นท่านที่บําเพ็ญเพียรไปสูงแล้วท่านั้นนะคือท่านสยบกิเลสได้สยบกิเลสที่มันเกิดปรุงคิดคิ ด, คดปรุงขึ้นภายในใจได้เพราะไหนมานที่เป็นตัวจึงต้องออกเองออกมาพระจน คนนี้เราดูในที่ไหนก็ได้เลยในหลักฐานพระไตรปิฎกเนี่ยว่าพระโพธิสัตว์นั้นถูกมาพรพะจนจริงๆสองครั้งแต่นั้ น, นครั้งแรกเมื่อตัดสินพระไทยจะบวชก็มาห้ามไม่ให้บวชบอกอย่าบวชเลยสิทธะอีกเก็วันท่านจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแล้วบวชไม่ดีเป็นทุกข์ตัร้อนอย่างนั้นอย่างี้แต่พระโพธิสัตว์ท่านมีพระไทยเด็ดเดี่ยวก็ไม่ยอมถอย ไม่ยอมถอยแต่พอดีท่านไปแล้วท่านหลงทางไปบาดปีบาดสานักนนท์สำนักนี้ซึ่งมันวุ่นวายลูกน้องมาท์นั้ง น, นั้นแถบนั้นก็มันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปวุ่นวายอะไรกับพระองค์ระยะเวลาห้าปีกว่านั้นไม่เคยมาวอแวอะไรพอมาถึงตอนนั่งอธิษฐานพระไทยมาลก็เห็นว่าวันนี้เอาจริงนะก็ต้องโผล่ตัวขึ้นมาตอมานก็คือเทวปุตตมาน ที่ปรากฏเด่นชัดแล้วก็หมายถึงนิมิตัวอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็มาพะจนราพระพุทธเจ้าในรูปที่เป็นรูปร่างเป็นตัวบุคคลจริงๆคือ ป, ปรากฏให้พระองค์เห็นจริงๆทีนี้หลักฐานที่จะยืนยันใ้เห็นว่าเป็นเทพุตรมา น, นั้นเพราะถ้าเราจะพูดถึงกิเลสสมานหรือแม้แต่พูดถึงอขันธมานก็ตาม มันจะเกิดความสับสนในด้านพระสัพพัญยุตญาณด้วยพระสับสนในด้านศรัทธาที่เรียกว่าศรัทาขะตะโพธิศรัทธาด้วยเพราะเมื่อรบุพธเจ้าประทับอยู่ที่ต้นไสรชื่ออาจารปานิโครธนั้นมารก็ยังเคยมาพิจิที่ดามารทั้งสามก็มาพิจิเมื่อตอนนี้ตอนนั้นก็ศัตรูผ่านมาตั้งสัสปดาห์ที่ห้าแล้ว ก, ก็ยังมาพิจิอยู่ถ้าหากว่าเป็นเทปุตตมาร ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะพราะมารแกไมป้ปฏิเสภาษาอะไรแต่ถ้าเป็นกิเลสสมานถ้าเรายังยึดถือว่ากิเลสสมานอยู่ก็เป็นอันว่าเราปฏิเสธประสพพันยุตยานว่าพุทธเจ้าสัจสรู้เป็นพระหันตะสมมาสมพุทธเจ้าแล้วก็ยังถูกกิเลสรบกวน จ, จิตใจอยู่เลยเละเลยไม่มีทิศทางอะไรที่จะเดินประกามารที่ไปจนจริงๆตามบทภาขงจึงเน้นไปที่เทวปุทตมานเป็นหลัก ไอ้ทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราอย่าลืมว่าตอนก่อนท่านทร ง, งทุกทรมานมากกว่านั้นตอนนั้นเป็นทุกขระคิยาในหนักหนาสาหัสกว่านั้นท่านทนได้อันนี้ขาดนั่งขนาดนั่งอย่างดีมันก็ปวดเจ็บเน็บไปหมดทั้งครึ่งตัวตอนนั้นเองซึ่งเทียบกับคราวก่อนเราก็ไม่มีอะไรรุนแรงแต่แน่นอนวความยินดีในชานนั้นอาจจะเกิดขึ้นขัดขวางไปธรรมดา แต่เพราะการปฏิบัติวิเคราะห์จิตใจของพระองค์พระองค์จึงตัดสินปัญหาเดียนั้นได้ไอส่วนการที่มีพระธรณีมาบิ ด, บดมวยผมเป็นสกีพยานนั้นก็ไม่พบหลักฐานในพระไตริดกนะฮะเป็นคำพีในรุ่นหลังที่ท่านเขียนเล่าไว้เราถือว่าเป็นองค์ประกอบคือเป็นเรื่องประกอบไอ้ที่จริงมาในลักษณะ น, นี้คนอื่นก็อาจจะมองด้วยความชื่นชมแต่มาเองมองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เทวดามันจะวุ่นวายมันจะช่วยเหลือพระพุทธเจ้าเนี่ยคือรู้สึกว่าอะไรนินดๆหน่อยๆก็มาช่วยมันทำทำให้สูญเสียเอกลักษณ์ของมหาบุรุษก็ดูแลแทนที่จะเสริมศักดิ์ศรีให้พระพุทธเจ้ากลับไปเน้ไอเอาผู้หญิงมาช่วยเสียเหลี่ยมเพราะงั้นริงเหล่านี้คือบารมีธรรมจริง แต่ว่าท่านก็สร้างขึ้นมาเป็นรูปธปรรมให้มีพระนางทรณีมาบิดมวยผมมาให้น้ำท่วมอะไรอะนว่าไปเป็นการสู้กันด้วยด้วยบา ร, รมีธรรมซึ่งบา ร, รมีนั้นได้แก่การเก็บการสะสมความดีเอาไว้คนนี้เคยมีนักวิชาการที่ท่านมีเหตุผลดีๆนะท่านบอกที่จริงพระพุทธศาสนาเอาบา ร, รมีสิบข้อสอนก็พอแล้ว พอใช่พอแล้วัรงนั้นนะฮะอัที่จริงเราทำมาจากข้อเดียวสูตรเดียวก็พอแล้วเอามองกลมในสูตรสูตรเดียวก็พอแล้วเราเรียนพระพุทธ ศ, ศาสนาเรียนสามสูตรทำมาจากอนัตตดิตก็พอแล้วจะเป็นปัญหารู้จริงหรือเปล่านั้นเองแต่รู้จริงมันพอแล้วทั้งหมดของของพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามเป็นได้ทองตามแล้วก็เห็นจริงได้พอปฏิบัติแล้วมันจะดึงส่วนอื่นเข้ามาเอง ไม่ว่าจับข้าสูตรไหนแล้วถือสักสูตรเดียวก็พอสับปะริดสถาบันเจ็ประการก็พอเอาถือโพรเมหารสีก็พออนาปาตัวเดียวก็พอแต่มันต้องเดินขึ้นเต็มที่พอความเข้มข้นแกสูงแกดึงอย่างอื่นขึ้นมาเองแกดึงอย่างอื่นขึ้นมาเองก็ต้อนองก้าวๆกับการประกอบอาชีพนะฮะประกอบอาชีพเอาอย่างใดอย่างหนึ่งสักอย่างแต่ให้ดีจริงๆมันก็พอนะฮะแล้วก็ร่ํารวยได้ พอมีความจำนี้จำนานฝีมือเด่นขึ้นก็ดึงดูดคนขึ้นมาได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นก็อย่างอื่มก็ดึงมาเองในะบ้านช่องรถราลูกน้องบริวารการไปทัศนาจรในไรตัวเงก็ตามมาเองนะเพราะงั้นหลักธรรมในทางพุทธศาสนามันก็เป็นเช่นเดียวกันคือให้เริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งให้ได้แล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในจุดนั้นเข้าในขณะที่เกิดความเข้มข้นในจุดของธรรมะเหล่านั้นในธรรมะเหล่าอื่นก็เข้ามาผสมผสานเอง เมื่อเข้าถึงความสมบูรณ์อย่างอื่นก็สมบูรณ์ตามคือไม่ว่าจะทรงแสดงเล็กแสดงน้อยอย่างไรอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าบางที่สองสาบรรทัดท่านนั่นเองก็เสร็จแล้วแต่ปัญหาว่าทําได้หรือเปล่าท่านั่นเองถ้าทําได้เสร็จแล้วเอาสองบรรทัดมายม่ำไม่พบผลทางของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทจิตหลุดพ้นเพราะรู้ชอบจบ เรียบร้อยถึงนิพพานเลยสามัทัศสองัญทั ศ, น, ทศทนั้นเองหรือแม้แต่สัพปะปาปัสสะกระนังกุศลสูระสรระสัมปราคาเหมือนกันที่จริงพวกนี้ไม่พูดสองัทัดน์สามัทัดก็ได้นะฮะพูดสจิตประโยชน์ระประนังตัวเดียวเองคือการทําจิตได้ผ่องแผ้วพอจิตผ่องแผ้วจิตก็ไม่มีกิเลสคนเราคิดก่อนทําคิดก่อนพูดเมื่อจิตไม่มีกิเลสก็ทำก็เป็นสุจริตพูดก็เป็นสุจริตก็จบแค่นั้นเอง แต่เท่านั้นเองนั่นแหละแล้วมันไปไม่ค่อยไหวแม้แต่สมาธิอย่างเดียวก็เอาไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นการทวนกระแสะของจิตใจขึ้นไปบารมีก็มีลักษณะอย่างการบารมีเป็นเรื่องทวนกระแสทวนกระแสะอะไรเป็นการทวนกระแสะอาสวะคือสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในจิตใจก็เป็นพวก โ, กโรคปวดดวงนั่นเอง เจ้าระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานาวงท่านเป็นนักคิดอะท่านนักคิดธรรมะเก่งมากเลยอย่างเนี้บางทีท่านคิดธรรมะจนรุ่งนะเจตว่าเวลาจะเทศคืนเนี้ยท่านจะเทศวันพระสมมุติว่าวันนี้นะครับเมื่อตอนกลางคืนเนี้ยท่านก็ประทับค้นคิดค้นคิดค้นคิดเลยบางทีคิดตาค้างนอนไม่หลับรุ่ง พอร่องแล้วก็เทศไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาแทนคิดมากเกินไปคือมันมันมันไปเห็นใช่หลากหลายนะฮะมันมากเกินไปจนไม่รู้จะสรุปออกมาได้ยังไงต้องมาต้องมาคิดใหม่มาจัดลำดับใหม่เพราะนั้นเราเราจะพบว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนั้นคมมากของเบญจสังกราชเนี่ยจะเป็นนักคิดธรรมะสมเด็จนี่ก็เดินรอยตามพระเบญจสังกราเชเจ้า ก็มีคืนมีคืนหนึ่งหลายหลายปีมาแล้วไปหาตมาตีสองอนาะทิตติสมเด็จเนี่ยเออมันคุณมาหาช่วยเทศหน่อยนะมันนี้คิดธรรมะมากไปหน่อยเทศไม่ออกหลวุงกุญชาก็ต้องไปเทศแทนให้ท่านเีวนี้คือเป็นนักคิดคิดไปมากเพราะอมาสรุปถ้ามาสรุปเป็นถ้อยคำง่ายๆท่านบอกว่าบา ร, รมีก็คือการเก็บ เก็บการสะสมความดีอาสวะก็คือเก็บสะสมชั่วนะเก็บดีก็เก็บชั่วจะเรียกว่าบารมีเพราะฉะนเราลองดูถึงว่าไม่ต้องเอาไกลขนาดพระโพธิสัตว์ไปก่อนคือเอาใกล้ๆนะคนเราที่เก็บสะสมความดีไเรื่อยๆในครั้งแรกคนไม่เห็นแต่ตัวเองก็รู้ก็เห็นการกระทำความดีต่อมาคนอื่นก็รู้ก็เห็นก็ยอมรับนับถือนะก เ, เชื่อฝีมือก็เชื่อความซื่อสัตย์สุจริต ก็กลายเป็นคนบารมีมีบารมีที่จะดึงดูดเอาความเคารพความนับถือตลอดถึงลาบส ก, การะมาจากคนอื่นได้กร น, นกีเรียกว่าคนมีบารมีก็จะทำอะไรก็กทำได้สาเร็จคนทั้งหลายนั้นไม่ใช่ใครไม่อยากทำหรอกไม่ว่ากิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนแต่บารมีมันไม่มีมันทาไม่ได้ ต้องอาศัยบา ร, รมีเข้ามาสนับสนุนคือความดีที่เก็บที่สะสมเอาไว้นั่นเองแต่สะสมในชาติเดียวมันไม่พอหรอกมันต้องเอาชาติก่อนเข้ามาหนุนด้วยดังนั้นบาลีท่านจึงแสดงว่าสิริโพคานามาสโยคือสิริมิ่งขวัญบริษัทบริวารไรต์ไรนี่นะะมันจะติดตามมา มันจะติดตามมาเป็นกอให้เกิดสั่งสมเป็นโภคะขึ้นมาทรัพย์ที่ไม่น่าเกิดก็เกิดสมัครผู้มีบุญคนทั้งหลายที่ไม่เคยเคารพนับถือใครก็จะเคารพนับถือท่านผู้มีบุญมีบา ร, รมีเหล่านั้นนี่คือเรื่องของบารมีที่เราหาคําตอบไม่ได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างนะว่าพ ร, ระเจ้าตากศินมหาราชเนี่ยท่านเป็นคนมีบา ร, รมีเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย พอๆก็สมเด็จยา่าคือหญิงไทยในเจ็ดร้อยปีนี่ไม่มีใครมีบารมีสูงเท่าท่านนะพระหมหากรรษัตริย์ไทยในอดีตก็จะพูดถึงเอาบารมีจริงๆแนละ้วก็ใครสู้พระเจ้าตากสินไม่ได้เหมือนกันเพราะคนอื่นมันสูงอยู่แล้วมันอยู่สูงแล้วท่านมาไม่น่าเชื่อว่าจะมาได้ใช้วเวลาเจ็ดเดือนท่นเองเป็นเจ้าเมืองตาก มาช่วยราชการตั้งเป็นเมืองกำแพงเจ้าเมืองกำแพงเพชรอยู่ตรงไหนท่านเคยไปหรือกลบหรอเปล่าก็ไม่รู้สมัยนั้นไม่มีถนนหนทางแล้วมารวบรวมคนจากระยองอยากชนบุรีจากศาสตร์ทึ่ท่านไม่รู้จักแต่ท่านทำก็ท่านได้เจ็ดเดือนกู้ชาติสำเร็จ น, นี่คือคนมีบารมีนะฮะสามารถโน้มน้อมให้คนเชื่อถือได้คนยอมรับน้ำถือได้ทั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนหนุ่มนี่คือเรียกว่าบารมี ทีนี้ของพระโพธิสัตว์นั้นก็เก็บสะสมไว้นานข้ามภพข้ามชาติอย่างที่เราเรียนที่จริงคนเราทุกคนมันมีบารมีทั้งนั้นแหละแต่มีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองถ้ามีน้อยอสวรรคมันก็กลบไว้บารมีมันก็ไม่เกิดในขณะที่คนมีบารมีมากน่อยข้าวัดไอ้พวกบารมีถูกอสวรรคกลบว่าข้าววิคมันก็มีบารมีด้วยกัน แต่วันมีคนหนึ่งมีน้อยคนหนึ่งมีมากเท่านั้นเองคือทางศาสนาเราไม่ได้ปฏิเสธใครว่าไม่มีบารมีมีเชื้อความดีนะมีอยู่ทุกคนแต่มีมากหรือมีน้อยเป็นตัวแปรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีมากบารมีนั้นเคยอธิบายมาคราวหนึ่งแล้วว่าจามัยยานเนี่ยเขาจัดบารมีเป็นหกบารมีแล้วเราจัดเป็นสิบบารมี ที่จริงก็เรียกว่าบารมีกับอุปการะบารมีบารมีหลักบารมีตัวหลักก็คือทานศีลเนคขมะปัญญาก็ เ, าเรียกบารมีหลักนอกนั้นพวกเมตตาพวกขันติพวกสัจจะพวกอธิษฐานพวกอุเบกขาพวกนี้เขาถือว่าเป็นอุปการะบารมีพวกพวกวิริยะนะฮะก็หก หอย่างอีหกอย่างนั้นคืออุปการะบารมีทาไมคือคนจะให้ทานเนี่ยคนจะให้ทานก็ต้องมีเมตตาต้องมีสัจจะต้องมียธิฐานนะต้องมีเมตตาต้องมีอเบขาตามสมควรจะรักษาศีลมันก็เหมือนกันไอหกอย่างนี้ต้องช่วยอยู่เรื่อยเลยท่านจึงเรียกว่าอุปการะบารมีสร้างบารมีเมื่อไร่พวกนี้ต้องติด เป็นกิจประจำวันเช่นเช่นว่าการทํางานอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเราตักอาหารคำหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสติมีทั้งวิริยะมีทั้งฉันทะมีทั้งความเพียรมีทั้งความอดทนมั น, ม, น, ม, นมันใช่ประจําทุกทีที่ตักธรรมะมันก็เดินมันก็เคลื่อนไหวไปในอย่างนั้นทุกทีเลยเพราะการบําเพ็ญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทานบา ร, รมีก็ได้แก่การสละ การศีสละเราจะพบว่าการสละของพระโพธิสัตว์นั้นมันสละหมดเลยสละในรูปที่เป็นวัตถุทานคือภายนอกกับใกล้ชิตแล้วก็ภายในตัวเองนั้นในเชิงวัตถุทานและพวกอภัยทานคือไม่ผูกอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นให้อภัยแก่บุคคลอื่นแล้วก็ธรรมทานคือให้ธรรมะเป็นทาน เรื่องราวของพระโพธิสัตว์แม้แต่บางครั้งบางคราวอยู่ในกำเนิดสัตว์เดชานก็ยังมี ก, รการโอวาดการแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นชี้แจงแก่บุคคลอื่นพร้อมทั้งชุดทีนี้ในกรณีของการให้ทานนั้นท่านจะพบว่าการให้ทานในลักษณะนี้ไม่ว่าจะในลักษณะการให้อภัยหรือว่าการให้สิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุหรือให้ธรรมะก็ตามจิตใจก็ต้องมีเมตตาต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้ความอดทนต้องมีสัจจะต้องมีจิตใจที่มั่นคง ของมีอุเบกขาคือเพ่งพินิษฐ์พิจารณานี้ก็เดินไปบา ร, รมีเหล่านั้นก็เดินไปเรื่อยๆคือสนับสนุนเรื่อยไปท่านจึงแบ่งบา ร, รมีออกเป็นสามชั้นอย่างที่ทราบกันวระธานบา ร, รมีอุปบา ร, รมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถมีฐานะปรมัตถบา ร, รมีก็ท่านที่เป็นนักบาลีท่านก็ตกเฉียงกันเหมือนกันนะฮะว่า มันน่าจะอุปบารามีแล้วก็บารามีและปารมัทธบารา ม, ารามีแต่แต่ทำไมมาเรียงบารามีอุปบารามีแล้วก็ปรมัทธบารา ม, ารามีนี่ก็พวกนักคิดในแง่ของรูปศรรับอ่ะอุปะนี่มันแปลได้หลายคำนะอุปะแ ป, ปลว่าเข้าเข้าไปเข้าแปลว่าใกล้แ ป, ปลว่ามั่นเพราะนั้นถ้าถ้าเราจะเรียงไว้ตรงกลางเราต้องแปลว่าทำบารามีให้มั่นขึ้นเขยมากขึ้นนะถ้า ถ้าจะไว้เป็นตัวแรกก็ต้องแปลว่าใกล้าบา ร, รมีเข้าไปคือยังไม่เป็นบา ร, รมีมันก็แล้วแต่จะเอาคำไหนมาแปลเพราะงั้น เ, เมื่อท่านเรียงไว้อันดับที่สองก็แสดงว่าบา ร, รมีนั้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นแม้ในจุดของการให้ทานเช่นเมื่อก่อนอาจจะให้วัตถุสิ่งของเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเราเสียสละได้แม้แต่อวัยวะสละได้แม้แต่ดวงตาของเราสละเลือดให้สภาการชาติอะไรต่าง มันก็เป็นฐานะอุปบารมีก็สละยากนะฮะถูแล้วคล้ายๆจะง่ายแต่ก็ยากบางทีก็อยากก็สละแต่เลือดจางอะไรอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เอาแต่ฐานะประมัตุบาบรมีนั้นจนถึงก็สละชีวิตอย่างที่เคยเล่าให้ท่านต่างหลายฟังว่าในพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยพูดเรื่องทหารทหารรบทัพจับสึกนี่ไม่พูด ไม่มีใครเคยถามมาบาบหรือไม่บาบด้วยนะฮะแล้วก็พระพุทธเจ้าเองไม่แสดงตอนนี้เป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าอันนั้นคือธรรมะของทหารแต่รรมากกว่ทหารมันอยู่อี ก, อกสูตรมันมากกว่าะสูตรกันบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่อานุสสถึงธรรมเมื่ออนุสรรึงธรรมคือสัจจะสัจจปฏิยานสาบานตนที่ตรงให้ตนได้ให้ไว้ต่อใครอะไรสถาบัน ให้สละหมดทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปพิทักธรรมเพราะงานกศธนจึงเป็นปรามัตตบารมีในแง่นั้นแต่นะฮะแต่ในแง่ศีลมันเป็นปานาติบาตในแง่ศีลมันเป็นปานาติบาตในแง่บารมีมันเป็นปรน า, ามัตตบาตบร ม, ม, ร ม, รมีถ้าแกตั้งใจดีนะไม่ใช่นักร บ, ร, บรับจ้างนะฮะไอ้รับจ้างมันก็บาปสองชั้นทีนี้มันมันก็เกิดคานกันเกิดคานกันในเรื่องนั้นนั้นพอดีไม่มีใครสารแนมาถามก็พอดีลนยะ ย่างั้นจึงไม่มีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าถามมันก็ยุ่งเหมือนกันเพราะพราแ ท, ท้จริงแล้วในเชิงการปฏิบัติเนี่ยฝ่ายหนึ่งผิดศีลอย่างหนึ่งผิดผิดศีล น, นะฮะผิดศีลด้วยจริงมันก็ผิดธรรมด้วยเดีวยวก็เบียดเบียนกันนะแต่อย่างหนึ่งมันก็กลายเป็นธรรมะตรรมะพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้แสดงแต่แสดงในสายที่พระองค์แสดงนั่นเองแต่เราจะตัดสินเราก็ต้องดูะต้องดูว่าคิดเราเองแล้วกันก็เรา ไอ้ส่วนบาปก็บาปนะแต่ส่วนบุญมันเป็นป ร, ม, รมิตบารมีในกรณีที่เขาทํางานด้วยวิญญาณต้องการเสียสละเพื่อรักษาส่วนใหญ่จริงๆนะฮะรักษาสัจจะปฏิยานของตัวเองจริงๆทําในลักษณะงานไม่ได้โกรธอาฆาตพยาบาทไรต่อไรความรุนแรงฮาุโกรตพล้นชับอาจจต้องการจะปล้น เ, เขาอะไรต่อไรนี่คือต้องต้องต้องดูในรายละเอียดมากแต่สรุปว่าพระพุทธเจ้าไม่สแสดงถึงความแตกต่างในเรื่องเหล่านี้ ยังไม่เคยพบนะฮะยังไม่เคยพบแต่จะจะมีลักษณะอย่างนั้นนะฮะจะมีแสดงไปเป็นสายสายไปเป็นธรรมของเขาจะไม่พูดเรื่องรบราข่าวฟังในเขารบกันอะไรแต่ไม่พูดเป็นเรื่องของธรรมะระดับหนึ่งทีนี้ในด้านศีลคือการรักษาศีลท่านทั้งหลายจะต้องยอมรับไปประการหนึ่งนะฮะเพราะจริงศีล น, นั้นก็คือศีลศีลหลักเนี่ยมันศีลห้านั่นเอง สินหลักนันคือศีนห้านั่นเองศีลห้าที่จริงมันก็ศีนสีนะคือหนึ่งสองสามสี่อ่ะครเขาเรียกว่ากรรมกิเลสท่านที่ไปเคยอ่านที่ปฏิบัติโนยโนโกวาตนะฮะจะพบว่ากรรมกิเลสคือปานาธินากามเมมุสาสีข้อนี่พวกกรรมกิเลสเป็นบาปสากลมนุษย์ กลุ่มใดทาก็ตามในส่วนใดของโลกก็ตามนะถือศาสนาะใดก็ตามบาปทั้งนั้นแต่ข้อสุรานั้นพระพุทธาาศาสนาแสดงในรูปอบายามุขมันไม่ใช่เป็นเชิงกรรมกิเลสเพราะมันมีเงื่อนไขเยอะจะคือแต่ก็จิบนิดหน่อยมันก็มันมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นกรรมกิเลสอะไรนะแต่ว่าเราก็เอามาในชั้นของศีลคือผิดศีลไปเลย ผิศีลในกรณีที่เรมัชชะประมาทฐานานะฮะอยู่ในฐานะประมาทชั้นชาวบ้านจึงก็หยาบกว่าที่พระพระนี่รู้ไม่รู้ดื่มแล้วต้องอาบอายหมดเลยแต่ชาวบ้านต้องมีเจตนารู้นะฮะรู้ถ้าเผลอถ้าเผลอเลยไม่จะแกล้งเผลอนะฮะคื อ, คอเผลอจริงๆเผลอจริงๆไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ย ก็โทษก็ไม่ได้ไม่ได้ตรงกับที่บัญญัติไว้แก่พระศีลก็รักษาจริงทีนี้ศีลเนี่ยอย่าลืมว่าพะศีลน่ยมันมีสัจจะมีวิริยะมีเมตตามีขันติมีอะไรมีมีเป็นแถวไปอีกนะฮะตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวสัจจะศีลกับสัตว์นี่แยกกันไม่ออกนะฮะบางทีก็บอกถ้าไม่มีศีลก็ขอให้มีสัตว์ที่จริงถ้ามีสัตว์ก็มีศีลถ้ามีศีลมันก็มีสัตว์ ถ้าไม่มีอยู่ก็ไม่มีด้วยการเลยรับศินแล้วก็ไปผิดสินข้างนอกมันก็แสดงวัาเสียหมดทั้งสัตว์ทั้งสินการรักษาศีล น, นั้นรักษาในลักษณะที่ที่เอาจริงเอาจังคือบางทีก็ถ้าธรรมดาสามัญก็อาจจะละเมิดนะฮะศีลก็มีก็เรือหีนะมัจจิมะปณีตะคือหยาบกลางประณิทนั้นมีอยู่สามชัน้นแม้ในเรื่องเดียวกันเนี่ย แม้ในเรื่องเดียวกันมันก็มีก็มีอยู่สามชั้นด้วยกันแล้วท่านจะลองดูมันจะสามชั้นไปเรื่อยๆพอถึงฌานเอมก็สามชัน้นเช่นปฐมฌานเองนี่ก็สามชั้นนะฮะเป็นหีนะมชจิมะปณีตะคือหยาบกลางละเอียดพอหยาบกลางละเอียดอจิตมันก็หยาบกลางละเอียดพอเกิดมันก็หยาบกลางละเอียดนะพอเกิดน่ะพวกพวกหยาบก็เป็นพรหมบริษัท พวกกลางก็เป็นพรหมบูโรหิตสมมุติปฐมชาตนะฮะพวกประณีตก็เป็นมหาพรหมปฐมชาตด้วยกันนะฮะมันมันมั น, ม, นมันจะมีอยู่สามชั้นเรืยเพราะงั้นอของเราเลยสามสามอยู่ด้วยไงรัตน์ใสสามใสศิกขาสามอะไรสามสามอยู่ยเรืยสามเยทั้งทั้งี่เรื่องเดียวกันแต่ก็มีอยู่สามชั้นเพราะงั้นทานมาก็มีอยู่าสามชั้นศีลมันก็มีอยู่สามชาั้นชั้นชั้นบา ร, รมีธรรมดา ก็เก็บสะสมความดีระดับธรรมดารักษาได้แต่ว่าไม่แน่นะคือรับสีนเอาไว้นะไปเจอเงินขนาดสี่ห้าร้อยนี่ทำเฉยทำไมเช็คเงินตั้งล้านวางไม่พอเดี๋ยวเอยรับสินใหม่แล้วเอากอนนั้นถ้าก็ระดับสินขนาดปณีตะจริงเขาไม่เอานะปณีตะนี่เขาไม่เอา เพราะว่าเขาเขาเขาจะไม่ยอมทำลายศีลเพราะวัตถุอะไรก็ตามเพราะเหตุผลอะไรก็ตามที่ทรงอุปมาว่าให้รักษาเหมือนกับ น, นกนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่จามารีรักษาขนหางคือรักษาจริงเลยจามารีรักษาขนหางนี่จามารีที่อยู่แถบในปานนะฮะเป็นสัตว์คล้ายกับควายคล้ายกับทิงฮะเี๋ก็เอาขนหางแกมาทําแท่จามารีเป็นราสูบพกอย่างหนึ่ง เวลาแกวิ่งสัตว์รล่ไ่แกเนี่ยถ้าหางแกเกี่ยวแกหยุดนะ <c oughs> หยุดยอมตายเลยหางขาดไม่ได้เป็สัตว์ที่แปลกมากละเอียดและออนละเอียดอ่อนมากนิ่มนวลมากเลยธ <c oughs> นุถนอมหางได้เกิน <c oughs> นี่ก็หมายความว่าระดับปณิตะ <c oughs> ถ้าระดับปณิตะจริงๆคือปรมัติตย์นะฮ <c> ะ <oughs> ปรมาทบารมีเน <c oughs> ี่ยแม้ตัวเองจะตายก็อย่าไม่ยอมทำลายสี มีอํานาจมีอิทธิพลมีกําลังจะทําลายคนอื่นได้แต่ไม่ทําลายที่ท่านยกตัวอย่างเรื่องพระภูริรรทัตขัวทีสัตนะครัเกือบทางทังที่ว่ามีอํานาจที่จะทําลายเวลามาพรามได้คนพิษส่ยปั๊ดเดียวกว็าตายแล้วแต่เพื่อรักษาศีลมันต้องถึถงทางเลือกท่านจะเลือกเอาศีนคนประเภทนี้คนประเภทนี้จะเลือกเอาศีนแต่ถ้าคนประเภทประเภทแรกนะฮะก็เรียกว่าหีนะประเภท ธรรมดาธรรมดานี่งไม่แน่บางทีรับสรงเดชไปอเองไงรับศีลเสร็จพอพระกลับก็ดื่มเหล้าต่อนะหนะหลังแล้วก็ดื่มเหล้าต่อเฉยๆนะธรรมดาเพราะฉนั้นในช่วงเจตนามันมีได้นิดๆหน่อยๆนะฮะนิดๆหน่อยนี่เป็นพฤติกรรมที่เราเห็นได้ว่าทุกยุคทุกสมัยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะต้นกลางประณีตหยาบกลางประณีตออพอมาถึงระดับในคขมมะก็อย่างที่บอกแล้วว่าฐานศีลใหญ่ก็คือศีลห้านะฮะ หลานศีลใหญ่จริงคือศีลห้าแล้วถ้าตั้งหลายลองนึกลองกระจายไปดูนะครับมันอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ไหนแม้ศีลพระตั้งสองยี่บเ็เนี่ยที่จริงรากมันก็อยู่ที่ศีลห้าแร่ก็อยู่ที่ศีลห้ารากใหญ่จริงๆนะฮะมันก็เป็นการที่กระทำผิดที่เกี่ยวกับร่างกายนะฮะเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับซับว่าไปสารพัดเรื่องนะฮะพระนี่เกี่ยวกับรัพบเจนว่า ไ่เที่ยวตัดต้นไม้อะไรอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยตต้นไม้ก็ไม่ได้ไปหยิบของอะไรที่เขาทิ้งไว้ก็ไม่ได้ก็คือเรื่องของของทรัพย์นะฮะแต่ก็ไม่ประพฤติผิดในทางประเวณีก็ละเอียดออกไปในเรื่องที่เกี่ยวกับประเวณีนั่นเองมันมีนมตาขายย่ายย่งใหญ่ไปแต่เรื่องคาพูดมันก็ออกไปงั้นนะฮะก็นับไปข้อได้เยอะแยะเลยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือถ้าเราสรุปลงมาที่ศีลห้านะ มันก็อยู่ในขอบข่ายของศีลห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็กคือตัวตัวหลักนะฮะตัวหลักที่เป็นเหตุให้เกิดถูกหรือผิดมันก็อยู่ที่โลกปวดลงเมื่อเรามีสติเรามีเมตตามันก็บันเทาพวกโลกปวดหลงลงไปศีลเนี่ยกี่กี่ข้อขอ ข, ขี้เกียดนับเอาไม่ต้องนับเอาก็ได้พอประัระาณพอมาถึงไน้ธรรมะเนี่ยได้รรมะมันก็มีอีกละคือการออก บาลีภารรษาสันสกิตันช่าคาว่ามหาพิเนสสกลมแปลว่าการออกเพื่อคุณที่ใหญ่กว่าเพื่อคุณที่ยิ่งใหญ่ก็เราบางบางทีเราก็เรียกว่าเนคขมะเนคขมะก็คือการออกจากเลือดบางทีก็เรียกว่าบัปปะชาคือการเว้นนะฮะการเว้นเว้นรอบโดยความแล้วการปฏิบัติในแนวที่เป็นเนคขมะ เรามองดูสมัยที่พระโพธิสัตว์ยังเป็นปร พ, พระโพธิสัตว์ปั๊บไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนะี่ยการบวชบางทีมันก็บวชธรรมดานะฮะบวชเป็นฤาษีบวชเราเองบวชธรรมดาอยู่ในป่าซึ่ ง, งบส ง, งบไปซึ่งบางคราวก็บางยุคบางสมัยก็เป็นฤาษีที่มีพันญาบางสมัยก็ไม่มีแล้วแต่ว่าท่านจะรักษาสี่งขนาดไหนแต่นั้นเอไอเนคขมมะมันจึงมีอยู่หลายชั้น ชั้นที่เป็นได้ขมารจริงๆนะฮะมีอยู่สามชั้นชั้นแรกก็เรียกว่าบวชกายแต่ไม่บวชใจทงใช้คําว่าออกกายแต่ไม่ออกใจคือใจไม่ออกกายออกแต่ใจไม่ออกก็ได้แก่การบวชโดยรูปแบบทั้งหลายนี่เองกายมันก็อยู่ในเพศของนักบวชประเภทใดก็ตามนะฮะแต่ว่าจิตใจจริงๆก็ยังไปหมุนวนอยู่ทั้งโลก ไปกำหนัดเพลิ น, พนยินดีอยู่ในเรียกว่าโลกียวิสัยหรือวิสัยของโลก อ, า, อารมณ์ของโลกอีกแนวหนึ่งก็เรียกว่าใจออกแต่กายไม่ออกคือเนี่ยญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะที่เป็นรูปภาพสตินฮะไม่ต้องไปน้อยใจว่าเราไม่มีโอกาสบวชไม่จำเป็นอ่ะคือพระพุทธศาสนาที่จริงไม่ได้บ่งว่าคนทุกคนต้องบวชนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีคาสอนที่ไหนเลยจริงเลยฮะไม่ได้มีเลย แล้วคนสมัยพระพุทธเจ้าเองคนบวชน้อยกว่าคนน้อยกว่าคนไม่บวชไม่รูก้กี่เท่าตัวนะก็สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้บวชนอกจากว่าพระองค์คนที่พระองค์เห็นบารมีจริงๆริงนะฮะว่าคนนี้ต้องเอาบวชจึงจะหลุดพ้นจากบ่วงเหล่านี้ได้เช่นว่าเคยทํากับพระนลนพระราหุนลนี่นะฮะนั่นนะลูกลูกน้องนะี่พระองค์เห็นเคยหยิบเอาจะเ จ, จอดเอาเฉพาะบางคน น, นั้นเองที่จะดึงไปบวช ไม่ใช่ว่าไปเกณ์ให้คนบวชอะไรพุทธบริษัทมีทั้ง4ี่นะฮะอาจจะเห็นว่าพุทธบริษัทมีทั้ง4ี่เมื่อก่อนที่ไม่ให้ภิกษุณีบวชเพราะว่าก็ทรงรู้เห็นว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ในเพศนี้ก็ได้ก็ทําได้ก็ไ่แตกอะไรอีกประการหนึ่งพอบวชข้าแล้วเนี่ยมันจะลําบากภิกษุณีนี่จะอยู่ยากมากเลยนะถ้สมติว่าท่านทั้งหลายลองตั้งกฎเอาวินัยของภิกษุณีมาปฏิบัติแล้วก็ตั้งสถาปนาวงภิกษุณีขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็สืบต่อไม่ได้ สื่อต่อไม่ได้ปฏิบัติยากเหลือเกินนะครวินัยพิจุณีปฏิบัติยากกว่าวินัยพระไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปเค่งงวดกวดขันกับผู้หญิงอะไรนะคือมันวันเพศของสตรีเพศเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีหลักควบคุมมากกว่าผู้ชายการคุ้มครองสวัสดิภาพนะะว่าที่จริงคุ้มครองสวัสดิภาพเที่ยมาขำที่สุดก็คือว่ามีอาบัติชุดหนึ่งคือปฏิเทศนิยะของพระมีสี่ข้อ ของพิสูจน์ี้มีแปดข้อไอ้ทั้งแปดข้อเรื่องกินทั้งนั้นเน่ยมัานขาฟะเอามาอ่านเราขาเปนนักกินจริงๆกินกินจนยุ่งไหมดเลยกินต้องวันหยาดวินัยกันตั้งแปดข้อเรื่องกินทั้งนั้นเลยก็แปลกดีบ้านไอ้นี่มันมันมันมันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรเราอยู่ในประเภทเนี้ยประเภทที่ใจออกแต่กายไม่ออกเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ในครอบครัวแต่เราไม่ว้าบุ้นกับอารมณ์ทั้งหล นะไม่ไปเดือดร้อนกับอารมณ์ของโลกของโลกวุ่นก็วุ่นไปเราไม่วุ่นก็เขามันก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะเช่นสมมุติเร า, เราดูหนังดูละครถ้าเราดูสักแต่ว่าดูๆไปั่เองเราไม่เศร้าโศกเราไม่ครับแค้นเราไม่อึอดอัดเราไม่ดีใจไปตามบทบาทที่เขากำหนดแสดงดูก็ดูไปเลยเหมือนกันดูเด็กเด็กก็เล่นตุ๊กตาเราจะเห็นว่าพอเราดูเด็กก็เล็ก แกเล่นต <inadvert> ุ RP ๊กตาเราก็ดูเฉยๆเราไม่ได้เปลี s, okay? ่ยนแปลงจิตเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามเด็กเพราะอะไรเพราะเรารู้นะฮะเรารู้แต like ่เด็กแกไม่รู้เด็กแกก็ร้องไห้แกก็เสียใจแกอาบน้ําให้ตุ๊กตาแกแกลอน้องไปนอนแกเราไม่เราเฉยๆตัวรู้มันเกิดขึ้นตัวเดียวต่นนั้นเองเราอยู่ในท่ามกลางอารมณ์นั้นน่ะยังเหมือนเดิมอารมณ์ยังเหมือนเดิมแต่ใจเรารู้ใช่แล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงอ่อนไหวไปตาม อารมณ์เลยมันเกิดขึ้นนี่ก็คือบวใจนะฮะก็เรียกว่าใจออกแต่กายไม่ออกอันนี้จำจำเป็นมากทีเดียวตอนนี้เราต้องก็ น, น่าจะรณรงค์ระดับชาติกันเลยเรื่องใจออกกายกายไม่ออกนี่กายอยู่ภายในบ้านเนี่ยแต่ทําไมใจจึงจะดึงออกจายความวุ่นวายของโลกบัางดึงออกจากพวกอบายมุกต่างๆดึงออกจากไอ้ความสนใจในเรื่องไอ้เลหลวไหลต่างๆไอไๆ้ดิโกแทกโกเทกอะไรต่างๆในปัจจุบัน ก็มีเป็นอันมากครที่มั น, ม, นมันเราจะต้องดึงใจเราออกมาจากเรื่องนั้นคือแล้วก็พยายามที่จะดึงคนอื่นออกมาด้วยแกมีก็แกมีไปเนี่ยปัญหาว่าใจเรามันไปไปไ ป, ไปยอมเขาหรือเปล่าไปยอมรับปไปยอ์สยบกับอสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าคือเราเอ่อจะไปแก้ข้างนอกอย่างเดียวโดยไม่แก้ใจคนเนี่ยมันมันมันทำไม่ได้แล้ว ถ้าเราแก้ที่ใจคนถึงแม้จะยั่วยุยัย่ยวยวนยั่วยาอย่างไงก็เท่านั้นแหละก็มาไปทีก็เต้นแรงเต้นกาไปเลครับเหมือนก็ดูเด็กเล่นตุ๊กต า, านีน่จะไม่มีปัญหาอะไรสาหรับคนซึ่งรู้แล้วเข้าใจแล้วอันนี้ก็คือใจออกกายยังไม่ได้ออกประการที่สี่นั้นออกทั้งกายทั้งใจนี่ก็คือบวชจริงๆนะบวชทั้งกายทั้งใจก็ ยังไงก็ตามเปอร์เซนต์พวกนี้น้อยที่สุดเปอร์เซนต์น้อยที่สุดเลยเปอร์เซนต์ประเภทบวชได้ทั้งกายทั้งใจจริงๆนี่ก็คือเนคขมมะแปลว่าการออกเพื่อกุดดัใ จ, จโดยการใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสแล้วออกตัวการใหญ่จึงอยู่ที่ปัญญาได้แก่ความรอบรู้นะฮะความรอบรู้ถึงสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงก็เริ่มมาเรื่อยๆเราจะพบว่าอย่างในกรณีของการแสดง ปัญญาของพระโพธิสัตว์ในประชาติต่างๆยังชาติพระมโหสถในใช้การใช้เลยนะครคือปัญญาที่มีแล้วเอามาใช้งานได้เลยใช้งานแก้ปัญหาวินิจฉัยกรณีพิพาท ต, ต่างๆตลอดถึงเรื่องของบ้านของเมืองเอาใช้แก้ปัญหาปัญญาในขั้นใช้งานแต่บางทีปัญญาในขั้นสร้างบางทีปัญญาในชั้นของการวิเคราะห์วินิจฉัยในแต่ละจุดของกรณีแยกแยะปัญหาต่างๆ แยกปัญหาต่างๆได้ถูกต้องเพราะงั้นจึงเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือปัญญาประเภทที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแยกได้แล้วก็มีอุบายยุิธีที่จะเว้นสิ่งที่ควรเว้นได้ประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติได้จนมาถึงนี่นะฮะจนมาถึงเวลาพระพุทธเจ้าแสดงปัญญาดับสูงยใช้สองคำ น, นะฮะก็เรียกว่าอุดยัตถามินีปัญญา ปัญญาที่รู้ความเกิดดับของสิ่งทั้งหลายวันก่อนนี่คุยกับท่านพุทธิวงศ์วัดเบญจมาศท่านล่าใฟังว่าสอนกรรมาฐานมานานแล้วยังหาอาจารย์ครอบให้ไม่ได้ก็ไปหาลวงไปคุยกับหลวงพ่อทางภาคเหนือบอกหลวงพ่อจะครอบผมหน่อยนะภาวนานั้นยังไงภาวนานนี้ว่ายัางไงท่านบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ่ะเอาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ่ะ อาไงก็ได้เลยว่ะจริงๆอุปาดาทิฏฐิพังคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตายแน่ตายแน่ตายหนอตายหนออะไรนั้นว่าอะไรก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะมาให้จิตมันเกาะเท่านั้นเองตัวตัวภาวนาบริกรรมนั้นเป็นที่ให้จิตเกาะนะใครจะใช้คำว่าอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อจิตมีที่เกาะมีที่ยึดความสงบมันก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่ก็เรียกวารู้จักความเกิดดับ นะดูได้ก็ได้เกิดดับก็เห็นสิ่งทั้งหลายมันเกิดดับจะมาถึงดูตัวเราเองก็เกิดดับนะก็ก็คล้ายๆกับอะไรที่เคยเล่าให้ฟังไอ้ต้นปฐมเหตุของมหาตติปฐานสูตรนะฮะมันได้คําเดียวเลยอัติอัติอัตินะ่ะนกมันได้คําเดียวทั้งเองอัติอัติพุทธรกขิตนกพุทธรักขนะิตเรียนว่าอัติอัติคือกระดูกกระดูกกระดูกพอไปถึง พอหนึ่งเหยียวมันเชียวไปนางเอ็นางสามนเนรีก็ไล่นะฮะไล่ก็เหยียวก็ปล่อยหล่นลงมาพุทธรกิจก็ตบลงมาคือก็ฝึกจนจนจนพูดได้นะฝึกกันพูดได้อสอนแต่ว่าแกภาวานาได้ตัวเดียวเลยอธิอธิอธิกำเมาชีเอ๋ภิกษุณีก็ถามว่าเธอคิดยังไงพุทธรกิจเมื่อเหยียวเชียวไปเนะแกก็บอกว่าคิดว่าไอ้ร่างกระดูกกำมังนางนารากกระดูกไปนะะ แล้วก็จะตกเรี่ยรายอยู่ในที่ใดที่หนึ่งคือทั้งสองร่างนั่นแหละสองร่างคือหมายความว่าแกก็คือร่างกระดูกเยียวก็คือร่างกระดูกไอเยวไอกระดูกเยียวกําลังเอ่อนำกระดูกแกไปเสร็จแล้วแกก็คงจะถูกกินก็คงจะเรี่ยรายอยู่ตรงในตัวหนึ่งไอเยวกินแกเสร็จอยู่ไหมเท่าไรก็เรี่ยรายอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับนั่นคือดูความเกิดดับเห็นความเกิดดับ อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านิ้เบธิกะปัญญาปัญญาชจำแรกจำแรกจำแรกอะไรจำแรกสิ่งที่เกิดดับเพราะมันที่จริงมันไหลามาเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการเดี๋มันไหลามาเทานั้นเองจำแรกดูจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นโดยท่องแท้ชจำแรกขนาดไหนจำแรกขนาดหยาบหยาบรูปบาบุลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้คือจำแรกแล้วก็เดินไปเรื่อยจนถึงชําจแรกเห็นสักแต่ว่าธาต เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสุธธรรมมาประวัติตันติกระบวนแห่งธรรมะล้วนๆมันไหลไปกระบวนก็ธรรมะล้วนๆมันไหลไปนะนี่คือจริงๆอย่างนั้นนะฮะโลกในแง่จริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นเป็นกระบวนของธรรมชาติล้วนๆมันไหลไปงั้นเองไหลไปที่จริงก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นก็คือการใช้ปัญญา ต่อไปก็พวกขันตินะฮะขันติวิริยะอะไรพวกนี้พวกพวกอุปการะบารมีเนี่ยตามหลักการปฏิบัติการสร้างบารมีและรเราใช้ก็ตลอดบารมีหลักยมีอยู่สอย่างที่ว่านเนี่ยพวกอุปการะก็ข้าสนับสนุนทุกจุดของการทํางานนะฮะที่จริงไปนับข้อมันมากไปนันเองนับข้อมันมากไปเพราะในบางจุดไอ้ตรงนี้มันเด่นขึ้นมาปูดขึ้นมา เขาก็เรียกว่าสิ่งนั้นเรียกว่าทานเรียกว่าศีลนั่นก็ตามแต่จริงในการปฏิบัติทั้งทานศีลเนคขมะปัญญามันก็มีไอ้ทั้งสิบนี่แหละอยู่ในทุกช่วงเราดูพระเวสสันดรนะฮะดูพระเวสสันดรท่านจะเห็นว่ามีครบเลยมีครบเลยทั้งสิบบารมีมีอะไรมี ม, ม, ม, มีมีการให้ทานนะก็เป็นทานบารมีนะเสร็จแล้วออกบวดรักษาศีลเป็นศีลบา ร, รมีนะออกบวชก็เป็นเนคขมะบารมี ใช้ปัญญาทุกจุดในการแก้ปัญหาก็เป็นปัญญาบา ร, รมีถูกด่าว่าถูกตําหนิถูกขับประจานก็เป็นขันติบา ร, รมีจูโชคทำอะไรอะไนี่ท่านขันใช้ขันตินะพยายามปฏิบัติเดินเหินไปเดินไปทุกทรมานอุ้มลูกอุมเต้าจุงลูกจุงนั้นไปก็เป็นวิรยิยะเป็นขันติเป็นอธิษฐานนะตั้งใจจะบวชให้ได้ใครจะห้ามปรามยังไงพระเจ้าเจตรารถขอร้องเมียบบวชเลยนั่นก็เป็นสัจจะของท่านเป็นอธิษฐานของท่าน แล้วก็ใครจะทําอะไรท่านท่านก็ให้ท่านก็นนกเมตตาก็เป็นเมตตาบาบรมีนะชูโชกมาเอาลูกมาตีข้างหน้าตั้งอุเบกขาก็เป็นอุเบกเป็นอุเบกขาบารมีหมดนะจับตรงไหนแล้วโยนจับตรงไหนโย ม, มาวันนี้มันตีก็ครบแล้วบารมีทําไมมานั่งหลับเลยนะมนั่งหลับขาดไปบ้าง้ามาไม่หลับมันครบแล้วนะบารมีเนี่ยบารมีแต่ละจุดตั้งใจไว้ว่าวันเสาร์เนี่ยจะมาที่วัด มันก็เป็นอะไรฮะเป็นสัจจะเป็นอธิฐานเป็นสัจจะเป็นอธิฐานเป็นปัญญาใจความพยายามจะเดินจะนั่งรถมามันก็เป็นวิริยะเป็นขันติแล้วก็ยังเสริมสัจจะอยู่นั่นแหละนะเสริมสัจจะบางทีก็มีคนท้วงติงห้ามปลามอะไรอะไรชักชวนไปโน้นไปนี้เราทําใจเฉยๆอุเบกขาก็เป็นเป็นอุเบกขาบารมีนะมาถึงก็ มารักษาศีลมาให้ทานนะหรือว่าให้ทานมาอตอนเช้าอะไรอะไรเนี่ยก็เป็นศีลบา ร, รมีเป็นทานบา ร, รมีอขณะฟังอะไรนี่จิตใจมันก็งดเว้นไปจากบาป่ ง, งบจากบาป ก, ก็เป็นเนี่ยธมะบา ร, รมีเข้าใจธรรมะมันก็เป็นปัญญาบา ร, รมีทำอยู่ทุกวันนะฮะทาอยู่ทุกวันนะทํำให้มากๆหน่อยกันแล้วกันทำให้มากๆหน่อยกันแล้วกันเพราะอาสวะมันมันก็สุด มันก็ทำล้วนๆเหมือนกันนะฮะอสวก็ไหลมัน i, มั น, ม, นมันหมุนไปฮะประวัติตันติคือเป็นไปหมุนไปภายในจิตใจของเรามันจึงหมุนข้าวทั้งสองด้านตามประทาทสัมผัสทั้งห้าของเราเนี่ยนฮะเลยเก็บข้าวภายในใจข้าวมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนทางกายเหมือนกันนะตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันทางอสวก็อะทั้งบารมีก็เข้าวมาทั้งสองั้งทั้งห้าทางนี้แล้วก็ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเชื้ออยู่แล้ว นะบารมีแกก็มีเชื้อของแกอาตวะแกก็มีเชื้อของแก่ปัญหาว่าพื้นฐานใจของเรานั้นมีอะไรเป็นเชื้อสูงแล้วในแต่ละวันเรารับเชื้อบวกอะไรเข้าไปมากนะอะไรก็จะไปบวกแกไปบวกอาตวะแสดงอาตวะมันก็ได้เชื้อบวกเพิ่มขึ้นเพราะงั้นคนบางทียิ่งแก่ยิ่งเลอะแต่นี่มันจะดีหน่อยเพราะอะไรพรับอาตวะก็ไปแย่เลยนะยิ่งแก่ยังไม่เอาไหนเลย ตอนเด็กๆเกราพูดจากันรู้เรื่องหน่อยมีมานะมีวัวดืมีรัตอย่เลยแต่บางทียิ่งแก่ยิ่งดีนี่แสดงว่าเพิ่มบารมีเข้าไปลดอาสวะสกัดกั้นอาสวะเอาไว้ยิ่งแก่ยิ่งหน้ากราบหน้าไหว้หน้าเค า, ารพนับถือบูชานี่เราดูได้มันสะท้อนพฤติกรรมแสดงอะไรตัวแรงดันจริงๆก็คืออาสวะกับบารมีกัสู้กันใครมากกว่าก็ไม่รู้แต่แสดงว่า ถ้าความเปลี่ยนแปลงในออกมาทางที่ดีนั้นคือบารมีทั้งบวกทั้งพื้นเดิมทั้งเชื้อบวกนะมันมากแต่ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดี แ, แสดงว่าพื้นเดิมไม่ดีมันมันความโน้มเอียงทางใจนะมาเข้าสูตรสูตรเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนชั่วมีอาสวะแยะ่นะบารมีน้อย บารมีอยู่ข้างล่างอาตวะอยู่ข้างบนนะไม่ยอมรับเลยปฏิกิยาตีกลับหมดเลยความดีใจบอดเลยบางทีใจบอดไอหูบอดไ อ, อตาบอดพ อ, อาเนานะใจบอดแล้วก็จบความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่คนดีทําได้ยากซึ่งก็หมายความว่าไงหมายความว่าคนชั่วนั้นอาตวะมันอยู่ข้างบนอาตวะอยู่ข้างบนทําอะไรก็ทําได้ มันคุมใจยอยู่แล้วยึดครองจิตอยู่แล้วพร้อมที่จะทําได้ทันทีแต่ว่าบารมีของแกที่จริงก็มีแต่แกเอาขึ้นมามันดําอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่า ง, า ง, างก็ไม่ได้คิดจะเอาขึ้นมาใช้แล้วประกอบกับเชื้อในชีวิตประจําวันแกจะบวกตามความโน้มเอียงทางใจอยู่แล้วนะนี่ก็เข้าไปในแนวอสเสวนาะปัจจัยอสเสวนาะจะบาลานังตรงน้นนะฮะติรบุทธเจ้าเริ่มตรงน้ น, ต ร, น, นตรงไหนเพื่อต้องการลด เชื้อฝ่ายอาสวะอาเสวนาจะบาลานาังนะอยาคบพานนะประเดี๋ยวมันจะได้เชื้ออาสวะต้องปัณฑิตานันจะเสวนาไว้นะเพราะอะไรเพื่อจะต้อกันจะเพิ่มเชือ้เอเพิ่มเชื้อในด้านบา ร, รมีแล้วก็ให้รู้จักบูชาผู้ควรบูชาเพื่อปรับสถานที่แวดล้อมเราจะเห็นว่าสัมพันธ์กันหมดอของพระพุทธเจ้าสัมพันธ์กันหมดเลยใบข้าวในมงคลไปนข้าวในอะไรแต่ไม่อะไรปายเป็นแถบกอะไเนี่ก็คือบา ร, รมีที่ชนะมาร แล้วก็มารที่ชนะนั้นก็เป็นการชนะเทวบุตรมารนะชนะกิเลสสมานชนะธรรมตุมานแต่ว่าชนะหลักจริงๆเฉพาะในกรณีนั้นนะฮะเฉพาะในกรณีแตจะรู้เป็นการชนะเทพบุตรมารเพราะกิเลสมานพระองค์กำระบไว้แล้วนะฮะกำระบไว้แล้วตั้งแต่ได้รูปปัานมาแล้วในสำนักอลาดาวดบท่นนะ้วก็ท่านก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่พิเศษ พระถามให้โลกได้มีพระอาหารหันต์สมมาสมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เป็นการช่วยโลกให้ได้รับความสุขความบุญสาหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทัง้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี